อาเช้านี้หลายคนร่างกายของอิดโรยนะแต่เชื่อว่าจิตใจคงจะแช่มชื่นเบิกบานนะเกิดปิติปราโมดเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่ทำได้ยากนะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำได้นะั่นะคือปฏิบัติทำตลอดทั้งคืนนะเพื่อเป็น อาจะริยบุูชาถวายหลวงพ่อคําเขียนระหว่างร่างกายอิดโรยนะแต่ว่าจิตใจมีปิติปราโมทนะกับร่างกายเข้มแข็งมีกำลังวังชาแต่ว่าจิตใจห่อเหี่ยวเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนนะ ธรรมาเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเลือกอย่างแรกนะก็ ค, คือว่าอิ่ดรวยก็จริงแต่จิตใจนะเบิกบานร่าเริงมีความภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆนะถวายกับครูบาอาจารย์ภูมิใจที่ว่าเราเอาใจเนี่ยนำกาย ไม่ใช่ปล่อยให้กายเนี่ยนใจอาตมาก็ได้เห็นนะเมื่อคืนเนี้ยก็มีผู้มีอายุผู้เฒ่านะหลายคนก็ยืนหยัดนะอยู่ค้างคืนร่างกายผู้เฒ่าที่จริงก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรเท่าไหร่นะนะแต่ว่าจิตใจนี่เข้มแข็ง น, นี้มันตรงข้ามกับคนที่ร่างกายเข้มแข็งนะแต่ว่าบางทีจิตใจอาจจะอ่อนแอหรือว่าจิตใจจะเล็กก็ได้ น, นถ้าร่างกายเข้มแข็งแต่ว่าจิตใจเล็กก็กลายเป็นว่ากายมันนําใจจะทําอะไรก็คงจะยากเพราะว่าใจไม่สู้ไม่มีความเพียรถึงแม้ว่าร่างกายมันจะพร้อมก็ตาม แต่ถึงแม่กายจะบอบบางไม่มีเร็วแรงเพราะว่าชาราบ้างเพราะว่าเป็น เ, เป็นเพศหญิงบ้างนะหรือว่าอาจจะเป็นเด็กก็ได้แต่ถ้าหากว่าแต่ในกายที่เล็กนั่นก่ยังมีใจที่เข้มแข็งอันนี้ก็ทำให้ใจเนี่ยมันสามารถจะนำกายให้ทำสิ่งดีๆที่ทำได้ยากได้ เมื่อคืนนี้ก็ได้เห็นนะว่าแม้กายจะบอบบางอ่อนแอด้วยความชราหรือว่าด้วยความอ่อนเยานะแต่ว่าเมื่อมีใจที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะชักนำกายให้ยืนหยัดได้ทั้งคืนนะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสร้างจังหวะหรือเดินจงกรม ลผลที่ได้ก็เชื่อว่าเราคงจะภาคภูมิใจก็ให้พวกเราไปให้คะแนนตัวเองนะคนที่ได้ปฏิบัติธรรมข้ามคืนนะลองไปให้คะแนนตัวเองไม่ต้องไปเทียบกับใคระนะเทียบกับตัวเองว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ย กับเมื่อวานนี้เนี่ยนะเราทําได้ดีขึ้นแค่ไหนนะก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติธรรมถวายหลวงพ่อเนี่ยนะเรามีขีดจํากัดยังไงบ้างแล้วเราได้ก้าวข้ามขีดจํากัดนั้นบ้างหรือเปล่านะถ้าก้าวข้ามได้นะก็ให้คะแนนตัวเองมากๆหน่อยนะแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คราวหน้าก็ ยังมีอีกนะเมื่อคือนเนี่ยนะบรรยากาศงดงามมากนะงดงามด้วยแสงเทียนที่มีผู้คนเดินจงกรมข้างล่างข้างบนก็นั่งภาวนาสร้างจังหวะท้องฟ้าก็ ก็ดูเกื้อกูลนะกับการปฏิบัติยกเว้นตอนตีสนะที่ฝนก็ค่อยๆเทลงมาไอ้ความงดงามของบรรยากาศเมื่อคืนเนี่ยนะทำให้อัตมนึกถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาลตอนหนึ่งนะมีพระเจรูปนะสนทนากันในป่าที่ชื่อว่าป่าโคสิงขสารลวัน ทั้งแต่รุ่นนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิน้นเช่นพระโมคคัลลานะพระไตริบุตรพระมหากัสสปะตอนที่สนทนาการพระไตรบุตรก็ถามขึ้นมาว่าป่าแห่งนี้เนี่ยมันสวยงามสําหรับพิสุเช่นไรหรือว่ามันสวยงามเพราะพิสุเช่นไรแต่ละท่นก็ตอบไป แตกต่างกันพระเรวตัตนะก็ตอบว่าปางามสำหรับภิกษุที่หลีกเล่นบาเพ็ญเจโตสมถะพระอนนุนก็ตอบว่าปางามสำหรับผู้ที่สรับฟังมากนะก็คือพระหูสูตรพระนุรุ ธ, ธะซึ่งเป็นผู้ที่มีทิพยจักขุท่านก็ตอบว่าปางามเพราะภิกษุผู้มีอภิญยาคือทิพยจักสุพรนะามากสปะนะ ก็ตอบว่าป่างามสําหรับภิกษุที่ชอบอยู่ป่าเที่ยวบินธรามบนะัอยู่คนไม้นะพระโมคคัลลาน่าก็ตอบว่าปางามเมื่อบุคเมื่อพาสองรูปได้มาสนทนากันเรื่องพระพิธรรมส่วนพระไศรยบุตรก็ตอบอีกทางนึงว่าเนี่ยปางามเมื่อสําหรับภิกษุที่ควบคุมจิตให้อยู่ในอานาจตนได้คือแต่ละท่านเนี่ยมีคุณวิเศษอย่างใดเนี่ยท่านก็จะตอบไปในแนวนั้นนะ เป็นพานนเป็นพระหูสูตท่านก็ตอบเนี่ยป่างามเพราะภิกษุผู้มีพระหูสูตหรือเป็นผู้ที่ตตับฟังมากอันนี้ตังเนื่องจากคําตอบเนี่ยแตกต่างกันทั้งเจ็ท่านก็เลยไปทูลถามพระเจ้าว่าที่ข้าบองแต่ละคนว่ายอย่างนี้เนี่ยพระบรมศาสดาว่ายอย่างไรพระองค์ก็ตอบรับรองว่า ถูกทุกข้อหรือว่าถูกทุกด้านนะแต่พระองค์ก็จะตอบของพระองค์เองบ้างนะพระองค์บอกว่าป่างงามเนี่ยสำหรับหรือป่างงามเพราะภิกษุเมื่อบินธบาตแล้วก็มาขัดสมาธินั่งขัดสมาธินะตั้งกายตรงดำรงสติมั่นทำความเพียร และจะไม่ละเลิกทิ้งความเพียรจนกว่าอสวกิเลจะหมดไปอันนี้พระองค์ตอบไม่เหมือนทั้ง7รูปนะทั้งเจรูปจะตอบในลักษณะที่คล้ายกันว่าป่างามสําหรับภิกษุผู้มีคุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเป็นพระหูสูตรเป็นผู้อยู่ปาเป็นผู้มีทิพยจักษุนะแต่พระองค์กลับตอบว่าป่างามสําหรับภิกษุ ผู้ทำความเพียรหมายความว่าแม้จะไม่มีคุณวิเศษใดๆนะแต่หากว่าได้ทำความเพียร น, นะที่ท่านพูดเป็นรูปธรรมว่าดำรงตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะทำความเพียรเพื่อจะลักอสวกิเลให้หมดไปแม้จะไม่ใช่พระอรหรนะันยังเ ป, ป็นปุถุชนอยู่นะแต่ถ้ามีความเพียรเช่นนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำให้ป่า ง, งามได้นะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่อง ความเพียรคุณวิเศษนี่ไม่เป็นคุณวิเศษนี่เป็นเรื่องรองนะความเพียรเป็นเรื่องหลักนะและเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้พวกเราก็สิ่งที่ได้ทําอย่างมากก็คือการระดมความเพียร น, นะคนเป็นร้อยนะเมื่อคนะืนนะ่ะนะพระก็20 30ญาติโยมนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีอายุก็รวมแล้วก็อาจจะเป็นร้อยนะทั้งข้างบนข้างล่าง ก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยไม่เคยนะไม่เคยทําความเพียรแบบนี้นะแต่ว่าก็ทําได้นะตลอดทั้งคืนนะแม้ว่าจะมีความลําบากมีความง่วงมีทุกขเวทนาแต่สิ่งที่ได้แน่นอนนะแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนคือความเพียรนะส่วนจะรู้หรือจะหลงมากกวการนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ บางท่านอาจจะรู้มากกว่าหลงบางท่านอาจจะหลงมากกว่ารู้อันนั้นไม่สําคัญนะแต่ขอให้ทําความเพียรไว้ก่อนในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านให้ความสำคัญกับความเพียรจะทําอะไรเนี่ยนะจะทําความดีอะไรก็ตามเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความเพียรนะนั่นความเพียรหรือวิริยะพึงจึงเป็นบา ร, รมีข้อหนึ่งนะในทศบา ร, รมีเนี่ยบา ร, รมี10ประการก็จะมีวิริยะบา ร, รมี การที่ผู้เจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับความเพียรเนี่ยนะก็ทําให้พุทธศาสนานี่มีชื่อหนึ่งว่าวิริยะวาสนะวิริยะวาสหรือวาทะเนี่ยไอ้คําว่าวาสหรือวาทะเนี่ยมันแปลว่าคําสอนนะเป็นคําสอนที่ในเรื่องความเพียรเนี่ยที่ชัดเจนคือว่าเนี่ยที่พุทธภาษิต ท, ที่ว่าบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคนเราจะทําความดีเราจะพ้นทุกข์ได้ไมันต้องมีความเพียรเป็นจะเรียกเป็นทัพหน้าก็ได้นะ น, นีทุกเราทำเนี่ยนะคือการประดมความเพียรเป็นเบื้องต้นอันนี้มันมีความเพียรแล้วเนี่ยต่อไปก็ค่อยนะสร้างธรรมะข้ออื่นนะเช่นสัมมาสติสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันนี้สา ม, สา ม, สามองค์ธรรมเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะเป็นเป็นธรรมะยืนพื้นเลยนะในอริมังมีองค์8เนี่ย ต้องมีสามตัวนี้เป็นพื้นฐานก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเราดองความเพียรเมื่อคืนเนี่ยเราได้มาหนึ่งตัวแล้วนะก็ใช้ความเพียรนี่แหละสร้างสัมมาสติขึ้นมาซึ่งจะนําไปสู่สัมมาทิฏฐิได้หรือว่าใช้สัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวหนุนให้เกิดสัมมาวายามะคือความเพียรอันนี้มีความเพียรแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีสตินะ เพราะว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยถ้าเพียนมากไปมีปัญหานะความเพียนถ้ามากไปเนี่ยนะเช่นปฏิบัติทำประเภทว่าจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เนี่ยนะอันนี้มีปัญหาก็ทําทให้อ่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการปฏิบัติภู้ากตร์ว่าเมื่อจะทําความเพียนต้องมีตัวหนึ่งนะก็คือความเพียนแต่พอดีวิริยสมมตาเนะีย แต่ก่อนหนึ่งต้องทำความเพียรก่อนนะมือก็เราต้องสะสมเงินเอาไว้ก่อนหรือว่าไปหาเงินหาทองไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ต้องรู้จักใช้เงินหล่านี้ไอการใช้เงินหรือใช้ความเพียรให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยก็คือสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิน ะ, ะเมื่อคืนนี้เราก็นะไดะ้หลายคนก็ได้นะระดมความเพียรนะซึ่ง มันจะเป็นอุปกรณ์สำคัญมากนะอย่างที่ตะบอกนะมันจะเป็นทัพหน้านะในการที่จะเอาชนะความทุกข์เอาชนะมารเอาชาติกินเลสแต่ทับหน้าอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีทับหลวงต้องมีทับหลังนะอันนี้ก็ต้องอาศัยนะสัมมาสติสัมมาทิฏฐิน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ทำความเพียรจน ข้ามคืนจนถึงเช้านี้แล้วเนี่ยก็ให้ถือว่านะเรามีความสามารถนะที่จะทำได้มากกว่านี้นะคนเราเนี่ยจะต้องมีพัฒนาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เอาความเพียรที่เราได้สร้างมาเนี่ยนะไปไปใช้ในการเจริญสติ และให้สตินั่นแหละนะเป็นชุเป็นตัวกําหนดความเพียรของเราให้ทําความเพียรแต่พอดีทำความเพียร แ, แต่พอดีเนี่ยหมายความว่ า, เ, าเพียรแบบวางจิตวางใจถูกต้องนะทำความเพียรเกินพอดีไปนะก็มีปัญหาอย่างพระโสนนกโอลิวิสาเนี่ยเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดนี่เรียกว่า แปดเปื้อนทางจงกรมแล้วยังพอเดินไม่ไหวเนี่ยก็ยังคลานเอาแล้วไม่บรรลุสักทีจนกระทั่งเกิดความท้อแท้พระพุทธเจ้า ก, ก็เลยมาเตือนให้ระลึกถึงพินสามสายนะเพราะว่าพระสนักฤาวิสาุนี่เคยเป็นเคยเป็นนักดนตรีนะดีดพินสามสายแล้วก็รู้ว่า พินถ้ามันตึงไปมันก็ไม่เพราะถ้ามันห ah ย่อนไปก็ไม่เพราะต้องขึงพอดีพอดีอันนี้แหละที่พรเจ้าเนพาไปสู่ข้อสรุปว่าเนี่ยความเพียรต้องพอดีพอดีในที่นี้เนี่ยที่จริงแล้วมันอยู่ที่ใจนะคือถ้าคิดจะเอาคิดจะเอาเอาให้ได้เอาให้ได้เนี่ยนะมันตึงเลยอย่างที่เมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็มีการพูดหลายคนนะพอคิดจะเอาคิดจะเอาเนี่ยอย่างอาจารย์ตรงหมิงก็เล่านะพอมันคิดจะเอานี่นะมัน มันตึงหมดเลยทำความเพียรเนี่ยมันอยู่ที่ใจด้วยนะทำความเพียรมากแต่ว่าใจเนี่ยนะรู้จกักปล่อยรู้จักวางหรือว่าทำเล่นๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนได้บอกทำเต็มที่นะแต่ว่าใจไม่สีเรียดเนี่ยอันนี้แหละคือความหมายหนึ่งของเพียรแต่พอดีก็คือว่าใจมันไม่คิดจะเอาถ้าไม่มคิดจะเอานะมันสีเรียดมันเครียดแต่พอไม่คิดจะเอาเพาะมีสติ ปล่อยวางความอยากความเพียรนันก็จะนำไปสู่ผลได้อ่าก็ขออนุมโมทนานะที่พวกเราได้มาร่วมกันทำความเพียรเป็นปฏิบัติบูชาถวายหลวงพ่อคำเขียนสิ่งที่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตกอยู่ที่หลวงพ่อหรอกนะแต่ว่าตกอยู่ที่เราเองแล้วก็ขอให้เรานะนเอาจะเรียกว่าความสำเร็จก็ได้นะ อันนี้ไปสร้างคุณงามความดีต่อไปนะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชาราเป็นผู้ที่ร่างกายแบบบางแต่ว่าถ้าใจเราเข้มแข็งมันก็จะสามารถจะนํากายเนี่ยไปสู่การสร้างสมสิ่งดีงามนะที่จะช่วยทํานําไปสู่ความพ้นทุกข์ได้หลังจากนี้ก็เตรียมรับขอ